าบาร์บิโน่กันละครั้งหนึ่งยังมีเด็กหนุ่มที่แสนฉลาดและมีความอยากรู้อยากเห็นในความรู้เด็กคนนี้มีชื่อว่าบาบิโน่และเขาเต็มไปได้วยคำถามมากมายจนพ่อของเขาไม่สามารถตอบได้ดังนั้นพ่อจึงส่งบาบิโน่ไปหาปรมาจารย์นักปราชญ์ให้อยู่กับเขา ดังนั้นปรมาจารย์จึงสอนบาบิโน่ในศาสตร์ต่างๆกว่าพันวิชาเด็กหนุ่มใช้เวลาศึกษากว่า12ปีกับอาจารย์ของเขาจนกลายเป็นหนุ่มเมื่อเขาเรียนศาสตร์ทุกแขนงที่อาจารย์สอนเขาจนหมดบา์บิโน่ได้เดินทางกลับมาหาพ่อของเขาลูกรักนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยบอกพ่อสิที่เรียนมาทั้งหมดมันเป็นยังไงบ้างท่านพ่อ เจ้านกสุกกระโปรกพายุกำลังมามาเร็วท่านพ่อเราต้องหาที่กำบังมีถ้ำทางนี้ไม่มีพายุรอกท้องฟ้าปอดโปร่งแบบนี้นะท่านพ่อนกและสัตว์ป่านะ่ะรู้โลกดีกว่าพวกเรานะอะไรนะเห็นไหมท่านพ่อโอ้ลูกคู้ได้อย่างไรจากนกกระจอก หนึ่งในพวกมันบอกข้าและยังบอกทางมาถ้าแห่งนี้ด้วยมันจะเป็นไปได้อย่างไรกันข้ารู้ภาษานกและสัตว์ทุกชนิดท่านพ่ออาจารย์สอนข้ามาอะไรนะอาจารย์เจ้าสอนให้เจ้าเป็นพ่อหมดงั้นเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นใช้เวลาตั้งหลายปีเงินทั้งหมดที่ใช้เพื่อให้ลูกข้าเรียนแค่ภาษาของสัตว์งั้นเหรอเนี่ย แล้วจะให้ข้าบอกอะไรกับญาติและเพื่อนๆ เ, เราเจ้าหวังว่าจะได้เป็นอะไรให้คนมาถามว่าหมาพวกเขาพูดอะไรอย่างนั้นเหรอแต่ว่าท่านพ่อธุรกิจของข้าดำเนินโดยคนไม่ใช่สัตว์แล้วตอนนี้มันคืออะไรไปซบาบบิโนออกไปและกลับมาเมื่อไรที่เจ้าได้เรียนอะไรที่มันคุ้มค่าไปซะ และดังนั้นบาบิโนจึงจากมาเขาอยากจะบอกพ่อของเขาว่าความรู้ท uh, ั้งหมดในโลกเกิดจากภูมิปัญญาของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นดังนั้นเขาจึงออกเดินทางเมื่อไหร่ที่บาบิโนเหนื่อยเขาก็จะถามงูหรือนกว่าเขาจะหาทําที่อยู่ใกลๆได้ที่ไหนเมื่อไหร่ที่เขาหิวเขาก็จะถามพวกมันว่า จะหาน้ำและอาหารได้จากที่ไหนและพวกมันก็จะนำทางเข้าไปเขาพูดกับพวกมันหัวเราะและมีความสุขไปด้วยกันภายในป่าจนวันหนึ่งเขาได้มาพบกับชนเผ่ากลุ่มหนึ่งเจ้าเหาทำไมเนี่ยเงียบนะเงียบเดี๋ยวข้ามันไปผูกไว้เองไม่ไม่ไม่รอเดี๋ยวมีอะไรเหรอเจ้าตัวเล็ก เจ้าหมาบอกว่ามีกลุ่มโจรกําลังจะมาโจมตีชนเผ่าหลังจากเที่ยงคืนวันนี้กลุ่มพวกมันมีสี่คนและมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เจ้ารู้ได้ยังไงเพราะข้าเข้าใจภาษาของนกและสัตว์ต่ตางๆพวกสัตว์เข้าใจโลกได้แบบที่คนทำไม่ได้เพราะพวกมันจะคุยกับสายลมคุยกับท้องฟ้าและพวกมันไม่ผิดพลาด พวกเราก็ควรเชื่อและก็เตรียมการเอาไว้ในคืนนั้นชนเผ่าได้หลบอยู่หลังต้นไม้และกองฟางเพื่อรอพวกโจรและแน่นอนเป็นไปอย่างที่เจ้าหมาบอกโจรสี่คนมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ uh. แต่ชนเผ่าได้เตรียมพร <Yeah. S 2> ้อมไว้สำหรับต่อสู้กับพวกโจร uh. พวกโจรทั้งหมดวิ่งหนีไปอย่างกระเจิงทำให้หมู่บ้านและทรัพย์สินของชนเผ่าปลอดภัยขอบคุณท่านมากนะบาบีโนโ ท่านช่วยชนเผ่าของพวกเรานะ่ยไม่ใช่ข้าหรอกเป็นสัตว์ต่างหากที่ช่วยชนเผ่าของท่านมันเป็นเพราะท่านมีความรู้ในความสามารถที่ยิ่งใหญ่ของพวกสัตว์ได้โปรดอยู่ต่อเถอะอย่าไปเลยอย่าไปข้าต้องออกเดินทางไปในป่าต่างๆแต่ข้าจะกลับมาเยี่ยมท่านอีกครั้งนะดังนั้นบาบิโนจึงออกเดินทางไปในป่าอีกครั้งและเดินทางไปอีกไม่กี่อาทิตย์ วันหนึ่ง <_ an> เขาได้ยินเสียงกรบร้องดังมากกว่าที่เคยได้ยินกบตัวไหนร้องมาก่อน <_ an> เขาจึงเข้าไปใกล้ <_ an> ๆและนั่งลงใกล้ๆดอกไม้ที่พวกมันอยู่ <_ an> พวกกบกําลังเล่นโยนจับขวด เ, เ, เล็กๆกันอยู่เจ่ากบมองเห็นเขาได้นำผลไม้และลูกนัดมาให้เขาทานและพาเขาไปยังที่ที่เขาพักได้เ <_ an> <_ an> ช้าวนันรุ่งขึ้นบาบิโนออกเดินทางและได้มาถึงหมู่บ้านเล็กๆ เขาได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญมาจากบ้านหลังหนึ่งเขาจึงเดินเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของข้าโอ้อย่าสิ้นหวังไปปฏิหารอาจเกิดขึ้นได้นะขออภัยนะคุณผู้หญิงไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอลูกสาวของพวกเขาป่วยหนักมากเลยพวกเขาได้ยามาจากเมืองถัดไปแต่ว่าคนใช้ด่งทาขวดยาตกหาย ตอนนี้ไม่มีเวลาที่จะนำยามาช่วยเด็กสาวที่น่าสงสารอีกแล้วละ่ะถ้ารู้ว่าขวดยาหล่นอยู่ในป่าให้คนรับใช้เข้าไปตอนนี้หรือไม่ก็จะดีกว่าถ้าเอามา้ามาให้ข้าท่านรู้ได้อย่างไรว่ามันอยู่ที่ไหนท่านเอาเป็นว่าเดี๋ยวข้าจะอธิบายทีหลังแต่ตอนนี้เอาม้าไม้ข้าก่อนนะได้นี่เลยดังนั้นบาบิโน่จึงควบมา้าและควบมายัางที่ที่เจ้ากบอยู่ เฮ้ hey, ข้าพบเจ้าของขวดนั้นแล้วรบกวนเจ้าช่วยนำมันมาคืนแด่ข้าได้ไหมขอบคุณมากนะปาปิโนโนำยามอบให้แก่พ่อแม่ของเด็กที่ป่วยหลังจากเธอได้ทานยาเด็กสาวก็รู้สึกดีขึ้นและดูเหมือนจะไม่เป็นอันตรายแล้วครอบครัวและผู้คนในหมู่บ้านต่างชื่นชมเขาขอบคุณท่านมากท่านช่วยชีวิตลูกสาวข้า ไม่ใช่ค่ารอกแต่เพราะพวกสัตว์ในป่าตะหากที่ช่วยเธอมันเป็นโพรท่านรู้ถึงความสามารถที่ยิ่งใหญ่ของพวกสัตว์ได้โปรโดอยู่ที่นี่เถอะนะยาได้ไปไหนเลยข้าต้องออกเดินทางไปในป่าแต่ข้าจะกลับมาเยี่ยมท่านอีกครั้งดังนั้นบาบิโนจึงออกเดินทางเข้าป่าไปสองสามอาทิตย์และวันหนึ่งเขาพบกับชายสองคน เขานั่งร่วมวงกับพวกเขามีเหี่ยวเข้ามาและพูดกับบาร์บีโนเขาบอกว่าในเมืองนอกป่านี้จะมีการเลือกผู้ว่าคนถัดไปพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงเพื่อนของเขานกอินซีจะเป็นคนเลือกผู้ว่าคนต่อไปและมันอาจเป็นพวกเราคนใดคนหนึ่งในนี้ก็ได้นกอินซีเหรอแล้วท่านรู้ได้ยังไงอ่ะ มันไม่แปลกหรอกเพื่อนข้ามันคือความสามารถข้ารู้เพราะข้าเข้าใจภาษานกและสัสตว์ต่างๆสัตว์ต่างๆนะ่ะเข้าใจโลกในแบบที่คนทำไม่ได้พวกเขาคุยกับสายลมคุยกับท้องฟ้าและพวกเขาไม่ผิดพลาดงั้นพวกเราก็ควรจะไปที่เมืองเดี่ยวนี้เลยทั้งทั้งสองไปก่อนเลยข้าจะตามไปที่หลังข้ารู้สึกเหนื่อยและง่วงนิดหน่อย ข้าต้องพักสักหน่อยงั้นกอดีเพื่อนเอาไว้เจอกันนะดังนั้นชายทั้งสองจึงเข้าไปในเมืองภายในเมืองเต็มไปด้วยฝูงชนที่เขามาดูว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าการคนใหม่เมื่อนาฬิกาถึงเลขหนึ่งนกอินทรีได้บินออกมาจากต้นโอก๊กมันบินผ่านฝูงชนเพื่อมองหาว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าการคนใหม่ทันใดนั้นมันโชวไปที่ประตูเมือง และเกาะอยู่บนไหล่ของผู้ชายที่กำลังยืนอยู่ตรงนั้นชายคนนั้นคือบาบิโนบารบโนตกใจมากเมื่อพบว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาคืออาจารย์ของเขาและนกอินทรีผู้ใหญ่ได้เลือกแล้วบาร์บีโนจะเป็นผู้วการคนใหม่ในมืดนี้สำหรับคนที่เข้าใจและให้ความเคารพละสิ่งมีชีวิตในป่า จะต้องปกครองผู้คนด้วยปัญญาและความเมตตาแน่นอนดังนั้นด้วยความยินดีภายในรถม้าสีทองบาบิโน่ได้ถูกนําตัวมายังคฤหาสน์ของผู้ว่าการบาบิโน่เรียกพ่อของเขามาพบและสุดท้ายพ่อของเขาก็ได้เข้าใจว่านกและสัตว์ต่างๆมีความเข้าใจในโลกได้แบบที่ผู้คนไม่สามารถทําได้พวกเขาคุยกับสายลมคุยกับท้องฟ้า และพวกเขาไม่ผิดพลาดดังที่อาจารย์ของเขากล่าวเอาไว้บาบิโนชายผู้ให้ความเคารพแด่เหล่าสัตว์เขาปกพรองด้วยความเห็นอกเห็นใจด้วยความเมตตาและสติปัญญาตลอดช่วงเวลาที่เหลือของเขา